50 languages. 7การเตรียมตัวเดินทางคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Nino namma vastu g a อย่าลืมอะไรนะยาววัตถุวันนู้กูดามรียบารดูคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่นินันเกยอีนูดุดดะปิตติกยอวสชกคตเตอิดเออย่าลืมหนังสือเดินทางนะฟาสโปลตันนูมรยบเบดาอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ วิมานาดาติเคตุการณ์นูมารเรยดาอย่าลืมเช็คเดินทางนะพรวัซีเช็คการณนูมารเยเบดาเอาครีมสันแทนไปด้วยนะสันแทนเลปาวันนูติดกันดูคนดูฮูกูเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะกุคนนดะาูติดกันดูคนู เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะบิซิลูทอพียันโน่แตก่กดุคอนโดฮูกูคุณจะเอาแผานที่ถนนไปด้วยไหมรสตกนักชยนันน่แตก่กดุคอนโดฮกูเยคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมบนดูมาร์กเดรชีุส ต, ตกำเน็อทกดุคอนโดฮกูเย คุณจะเอาร่มไปด้วยไหมวนดูฉัตรยันนูเทีดยกนดูฮกเวยอย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะชรายอังกิมัตตุคาลุชีลากาันนู้มระยะเบดาอย่าลืมเน็คไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะไทเบลท หากุเมลังกีกลรันโนมรยบดีอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะปจามะราตรีอังกีมัตโตทีชร์ตกนน า, าันโนมรยบดคุณต้องใช้รองเทา้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูทนินาเก็บผ้าดักเช่ s h มัตโต้ชัปเปอร์ลีการันอาวสชคเตอรุตเเด คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกรรไกรตัดเล็บนี่นั่งเกะกระวัศตราาบูนุมัตโตโอกรุคัตตริกละอวสชิคัตเอรุตเตเคุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟันนี่นั่งเกบาชันิเกะฮัลลีนาบรัชมัตโตเพสต์กละอวสชิคัตเอรุตเ